ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp3 แผ่นที่เก้าสิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีคติธรรมแผ่นที่เก้าสิบให้คติธรรมหัวข้อว่าณนิกตยาท่านนังฮะเรไม่พึงแสวงหาทรั ด้วยการคดโกงการเสาะแสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคนอื่นมาเป็นสมบัติของตนเองถึงจะได้มามากก็เป็นที่ติฉินนินทาคนในกลุ่มในยุคนั้นสมัยนั้นแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่รู้แต่คนที่เกี่ยวข้องเขาอิดหนาละอาใจกับคนคนนั้นกลัว พอเหรเพราะว่ามีแต่จะคดโกงหมู่พวกเพื่อนสรุปแล้วคือเป็นผู้ไม่มีศีลไม่น่าไว้ใจเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านการอยู่ด้วยกันต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะการจะคดโกงคนอื่นคดโกงมาเพื่ออะไรคดคดโกงมาเพื่อครอบครัวของเราเพื่อลูกเพื่อหลานของเราแต่ถ้าหากว่าเราพอเป็นพอไปอยู่แล้ว เราก็ไม่ควรจะทําความชั่วเสียหายทําให้จิตใจของเราทุกเดือดร้อนไปเปล่าออถ้าว่าเราโตแสวงหาด้วยออคุ ณ, ณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไปในทางที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่างนั้นจะไม่มีความสบายใจกว่าเหลอเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านการอยู่ด้วยกันต้อง มีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันถ้ามีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะประสบแต่ความสุข ก, กายสุขใจตลอดไปด้วยอำนาจคุณพศีรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเทิน